อาเป็นอะไรบางพวกเรามาถึงตอนนี้เชื่อว่าประสบการณ์ของเรานะ้งวันนี้คงเป็นประสบการณ์เป็นประสบการณ์ที่เข้มข้นสําหรับหลายหลคนมากมันไม่แค่ประสบการณ์ ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ที่แค่คนท่านั้นนะคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เราได้ทำหรือได้พบเห็นเจอเจอในวันนี้คงเป็นครั้งแรกสำหรับหลายหลายคนหลายคนก็ได้พบได้เจอได้เห็นผูหลงเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้ยินกิจที่ศักหรือว่าได้เห็นทางสื่อในโซเชียลมีเดียหรือว่าทางโทรทัศน์หลายคนก็เพิ่มได้ยอดกลัวเป็นครั้งแรกในชีวิตตื่นมาที่นี่กไม่เคยได้หยอดกลัวเลยเราไม่รู้ว่าจะยอดไปทำไม แต่ว่าวันนี้ก็ได้ทาแล้วก็ได้ทาเยอะด้วยตัวเป็นร้อยๆยมล็กนะที่ได้ผ่านมือเราแล้วก็ลงหรือว่าสังอยู่ในพื้นเพื่อรอ ก, การเ ต, ติบโตเพื่อตอนเ้านี่ธรรมา ได้ขึ้นไปที่ปูสามชั้นนะเรียกว่าเป็นคณะแรกที่ขึ้นไปเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งล่าสุดเมื่อสามอทิตที่แล้วตอนนั้นเนี่ยก็ได้เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นครั้งแรก ในชีวิตก็ได้เห็นไฟนะขาผ่านภูหลงตอนนั้นไฟดับแล้วจต่เห็นหลที่เกิดขึ้นเรียกว่าภูชตาทั้งลูกนี่เป็นสีเทาโดยเข้าขานมีบางจุดบางหย่อมที่เป็นสีเขียว ของต้นไม้ที่ยังไม่ได้ถูกไฟเผาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยทั้งแข่เลยนะกาเป็นเข้ามีต้นไม้ดำตอตกโกอยู่ประกรายแล้วถ้ามองนะมองจากเรือที่เป็นแปลงสีเนี่ยก็จะเห็นทะลุนะ มองทลุไปจนเห็นถึงถนนหลายคนที่เดินจากปูติดแล้วก็เดินที่ไปแรลงติดเนี่ยไอ้ถนนนั้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถ้ามองจากปูสามชั้นไม่ว่าตรงจุดไหนก็ตามเนี่ยมันมองไม่เห็นนะเพราะว่าต้นไม้เัปกคลุกมันบังตาไว้แต่เมื่อตามทีแลงเนี้เห็นไปทะลุเลย ตอนนั้นขึ้นไปเพื่อทไปประเมินความเสียหายว่ามากน้อยเพียงใดแล้วก็ค้าได้ถึงว่าไฟมันจะทำลายป่ากินอาณาบริเวณกว้างขนาดนี้เป็นข้างน้าที่เร่ดวนจดังนั้นก็เป็นที่มาของความคิดเรื่องการอพยพตัว ตอนนั้นขึ้นไปกับชาบ้านหลายคนนะแล้วก็ก็พูดกันว่าเนี่ยมันต้องทําในรสักอย่างก็พูดรื่องการปลูกถัวตอนนั้นใช้วิธีการหวานที่ถึงการหวานเพราะตองนั้นไม่ได้คิดว่าเราจะสามารถลดลงคนกันได้มากแต่ก็ลองคิดดูว่าคือถ้าเราจะลดลงคนมามากมากเนี่ย มันจะทำได้ไหมแล้วมันก็ทาได้อันนี้คุยเ้าเนี่ยนะก็ได้ขึ้นไปตรงจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วไ้เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นภาพบางภาพเห็นคนเดินนเป็นแถวเป็นแนวบนถนนเส้นที่ว่า เพื่อที่จะไปยําแปลงสิถ้าเห็นไม่เคยเห็นนะอยู่พูหลงมา20กว่าปีไม่เคยเห็นคนก็เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคนไล่นี่มันจะบังทีคนเดินมาถนดก็ไม่มีคาเห็นแต่ว่าคนที่ได้เห็นแต่นั้นก็ ยังไม่ประทับใจนะเขาบอกว่าได้เห็นคนเราแล้วเนี่ยเมื่อไปถึงแปลงสิ่งก็เห็นผู้คนเนี่ยกระจายกันเป็นจุดๆ็นที่จุดเลยนะตรงแปลงสีเนี่ยถ้ามองไปจะเห็นคนพวกเราเนี่ย ที่แปลงสิท์เนี่ยเป็นสุดมีสุดสีขาวสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินกระจายกันกระจายไปทำอะไรเพื่อไปเพื่อการซื้อสูกผูกหลที่เป็นภาพแรกในชีวิตที่เล่นเหมือนกันแล้วก็เป็นภาพที่ประทับใจมากจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีภาพอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับผู้หลงนะนี่มันในช่วงเดือนที่ผ่านมาแอาการที่เกิดไปนะเขาผ่านทั้งสองครั้งแล้วก็แต่ละครั้งก็สุนที่จะเป็นอาทิตนี่แหลแล้วว่ามันจะเป็นอายุะนะสำหรับผู้หลงที่จริงนะสำหรับฟองสีทังหลายเนี่ย โอกาสที่เกิดใชนะมันก็มีนะบางแห่งก็รุนแรงเห็นเขาหลับเมื่อปีสี่เจนะมันหนักมากจนกท่งคน่ว่าเขาหลับจะกลับตัวมาแล้วก็ดีกว่าเดิมมีชิว่าเดิมอย่างในวันนี้ที่น้าก็มีดินกลงหลายแห่งที่เกิด ข้อตะไคร้บาดตาไคเช่นที่ทีรวงในล์ไคร้ตอนนี้เนี่ยมันแรงกว่ที่บูดองเยอะอย่างน้อยที่พูดก็ไม่มีใครตายไม่เหมือนที่เขาหลับไม่เหมือนที่น้ำก่อหรือว่าทีรวงเที่หลายที่ แต่แมกนั้นเนี่ยนะมันก็เป็นหน้าที่รุนแรงที่สุดของผู้หลงแต่ว่าข้อดีก็คือว่ามันทวให้เราได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของผู้คนมากมายซึ่งหลายคนก็ไม่เคยเห็นผู้หลงแต่ก็อุตส่าห์ตลับเวลาก็ มีความเหนือยากในการที่จะขึ้นมาแล้วขึ้นมาทำในสิ่งที่มีคุณค่ามันเป็นค่าที่ประทับใจนะสะราตมาเนี่ได้เห็นนะโผล่กกระจายตามพื้นที่ต่างๆตามจุดต่างตาบนภูลงนะเพื่อที่จะช่วยกันฟื้นทูภูหลงขึ้นมาใหม่ แต่ที่เห็นได้ชัดก็คือแรงติดเพราะว่ามันจะอยู่ที่สูงที่สุดแล้วก็มองจากผาแอปเปิ้ลหรือว่าผ้าไทนาเนี่ยก็จะเห็นชัดคนกต่ละคนตรงนั้นเป็นจุดเล็กๆแต่ว่าก็ได้ทวาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กับผู้ลง ผู้หลงเนี่ยนะซึ่น่าจะเป็นภูเขาเล็กๆนื้อที่ปอะมาสามันรอะไร่แ้่มันใหญ่มากนะเรื่อเราต่เราคนเราก็่ราคนที่ไปตรงนั้นเนี่ยเป็นุดลู้หลงยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากแต่ก็ไม่น่าเชื่อแล้วว่าผูหลงเนี่ยซึ่งั้งอยูเนี่ยให อะไรต่อะไรมากมายกับผู้คนให้น้ําให้ปัจจัยเสริให้ชีวิตสามารถจะต่อชีวิตของผู้คนบนหลังเขามีไม้เอาไม้ไปขายนทําให้สามารถตั้งหลักอยู่บนหลังเขาได้ผู้หลงนี่ให้อะไรเยอะนะกับผู้คนมากมาย ให้มาตลอดให้มาเป็นหมื่นอาจจะเป็นแสนดีมานะแต่วันนี้เนี่ยเหมือนกับคนป่วยแะต้องยอมรับหรือรอคอยความช่วยเหลือของผู้คนผู้คนตัวล็กอย่างพวกเราซึ่งข้างหนึ่งก็เป็นผู้รับ รับกรรมชาตาอากาศน้ำอาหารจากสาหนะโลกแต่วันนี้เนี่ยเรามาเป็นผู้ให้และปูหลงซึ่งเป็นคุนเขาใหญ่โตยิ่งกว่าจรับตอนนี้ก็มาเป็นผู้รับรับความช่วยเหลือจากพวกเรา แล้วก็หลายคนที่จะตามมาอันนี้ในแง่หนึ่มันก็โบมอกถึงความเป็นอิจฉาแต่ในแง่หนึ่งมันก็ที่เห็นว่าไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนทุกวันมันก็ต้องมีเหตุร้ายและต้องกลายมาเป็นผู้เราผคนเราไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็เช่นกันจะเป็นเจ้าพ่อจะเป็นผู้มีบารมีให้อะไรต่ออะไรบ้างมาสามารถปกป้องผู้คนได้แต่ถ้าวันหนึ่งก็มีไม่พ้นที่จะต้องมาเป็นผู้รับความช่วยออันนี้มันก็ ในแง่มุมมันก็มีตัวว่าตะกรรมในพิษผันนะแต่ว่ามันก็ได้เกรดินใจนะพวกเราว่าคนเล็กๆวันหนึ่งก็สามารถจะเป็นผู้ให้ได้และคนที่ยิ่งให่มีอำนาจกรรมีสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้รอรับควาช่อยเหลือ จริงเรื่องนี้อิอกยังรอคุนเวลาแล้วนะที่ารอิศสอบเรื่องราชสีกับหนูเนีเราคงจำได้ว่าอิศบอกเขาสอะในเราราชสีกับหนูราชสีนี่เขาคิดว่าเป็นยิ่งใหญ่จำหนูได้แลวหนูก็บอกว่าปี่อยไเถอะสักวันห่อาจจะสักวันจะช่วยเหลือจะตอบแทนบุญคุณของราชสีราชสีกับหนวเนาะ แต่สุดท้ายวันนึงรัชศรีก็เป็นปานติดแล้วของพลังรอรอวันตายก็จะก็จะหนูนี่และนที่มันมาตัดเชื่อแล้วให้ขาดทำให้รัชศรีเป็นอิสระที่สบก็สอบให้มาแล้วนะว่าคนรอทุกคนเนี่ย มันมีสองสถานนะคนที่เป็นผู้ใหนะ้ก็มีสถานนะเป็นผู้รับไม่วันใดก็วันหนึ่งส่วนคนที่เป็นผู้รับสวนันหนก็สามารถจะเป็นผู้ให้ได้แม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นลูกน้องอาจจะเป็นคนเล็กคนน้อย คนเรามีศักยภาพที่จะให้ที่จะช่วยเหลือที่จะเป็นคนสำคัญนะของสิ่งที่ยิย่งใหญ่ได้ภาพที่เห็นนะในวันนี้โดยเ่าจากแปลงตัดหน้าผาครูสามัญนมันมันได้เห็นเลยนะว่ามั์เราตัวเล็กๆนี่ สามารถจะทําสิ่งที่สำคัญยิ่งใหญ่ต่อธรรมชาติซึ่งมันใหญ่กว่าคนเราเยอะและต่ลาดเชื่อว่าคนเราเนี่ยก็หรือพวกเราเนี่ยก็ยังสามารถทําอะไรได้มากเลยวันนี้เนี่ยการไปปลูกถั่วเนี่ยหลายคนคงจะเจอหลายอย่างนะที่มันลำบาก แดดก็ร้อนที่จริงนี่ก็ธรรมชาติก็ไเยอะนะเพราะว่าเมื่อเช้านี่นมันมีเม่เยอะทราว่าไม่มีฝนตกเมื่อวานตอนเช้าใช้สายแดดจะแรงมานี่แดดก็ไม่ค่อยแรงเทาไหช่วงเช้าใช้สายมาแรงตอนบ่าย แต่แม้การนั้นเนี่ยมันก็สร้างความทุกข์ให้กับผู้คนหลายคนที่ไม่คุ้นเคยนะกับสภาพอย่างนี้เหนื่อยก็เหนื่อยบางทีก็บางท่านก็บางปีเขาหรือลงเขาหลายคนก็อาจจะรู้สึกทุกข์นะอาจจะรึกในใจโอ้ไม่น่าเลยลองนะ เราไม่ร well pues ู้ว่าใครจะไปไกลขนาดไกลนี้ใครจะดีบร ok ้นนี s, ้เหมือนกันหมดนะฮะแต่ให้เรารู้นะว่าความทุกข์ของเราเนี่ยนะมันเบามากเมื่อเทียความทุกข์ที่กำลังเกิดขึ้นกับธรรมชาติกำลังเกิดขึ้นมาพูดแต่ที่เราทุกข์แต่ที่เราร้อนนะให้เราลองนึกนะถึงต้นไม้ แตละต้นแตะต้นบนหังเขาซึ่งกำลังรอวันตายเพราะตะไคร่รอายแล้วเขามีสามารถจะพูดได้สามารถจะเปล่งเสียงได้แล้วก็คงเห็ได้ยินเสียงร้องคือความทุกข์ทรมารของเขาะต้นไม้แต่ต้นระรอดตาย และที่จริงนักปานักปานเนี่ยนะก็กาลังประสบกับระสบที่ดีดเพื่อการอยู่รอดมันเหมือกับคนที่กาลังโกลนะแล้วก็ท่องเที่ยวนี่นตอนที่ท่านได้เริ่มธรรมยัตราลุ่นาลัปปฐาเมื่อปี43กษาท่านก็เคยพูดแล้วท่าน พ, พูดหลายครั้งบอกญาติโยมว่า ตอนนี้แม่น้ำกำลัรั่วป่วยต่างร้ายอะไรจะตายพื้นดินนะกลังเจ็บไข้ถ้าเรามีใจที่จะเจ็บอ่อนก็คงจะรับรู้ถึงความเจ็บความปวดความทุกข์แต่ถ้าเรายังไม่ได้ อนความที่เราร้อนเราทุกข์เราเหนื่อยในวันนี้หมายรู้เลยว่าเรากำลังธรรมชาติเนี่ยนะเขาก็ทุกข์ร้อนลำบาไม่น้อยไปกว่าเราหรืออาจจะมากกว่าเราเพราะเราเหนอวันนี้เนี่ยเราไม่ถึงตายแต่ว่าธรรมชาติตอนนี้โลกก็ต้นไม้อะไรก็มีพลังจะตาย การที่เราีประสบความทุกข์นะง่ายๆมันก็จะทห้เรามีความสุขรกนบธรรชาติได้ง่ายขึ้นแลน่าจะช่วยทำให้เรานว่าเมื่อธรรมชาติเขาเจ็บปวดพนันี่แล้วเนี่ยเราก็ควรจะทํางานเพื่อช่วยเหลือธรรมชาติให้มากกว่านี้ ใอ้การที่เราจะรับรู้งคาของธรรมชาติแต่เราอยู่ในห้องแอร์ดูล่าวเห็นภาพของธรรมชาติทางคอมพิวเตอร์ทางรศัพทมมันยากนะที่จะรับรู้ความเป็นป่วยคของธรรมชาติใอย่างลึกซมัน แต่ถ้าเราได้ลองมาปฏิบัติให้ตันเอแล้วถ้าเราไม่มัวแต่โบนโยงวายเบื่อทุกข์ว่าทาไมมันงอแด่ๆแบบนี้ลองลองนึกสักหน่อยว่าทำไมใช่ดูลงแล้วก็ทิ้งต่างๆเอาทุกข์มานงกับเรา ถ้าเราที่การนี้เนี่ยมันทให้เราเห็นแงึ่งก็ูกเราทำเราไม่ถูกต้ลยเราจะอเพื่อช่วยเยียวยาเพื่อรักษาระบวนการความถของธรรมชาติถ้าเราไม่ที่แบบนี้เรก็จะโบนวยวาติโมติฟายแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่าทมันไม้ แต่ถ้าเรรู้สึกว่าทิามันจะช่วยอย่างไรตามธรชาติให้ภาพลุกของเรามจะมีความหมายมันจะไม่ใช่ความสวยหรือว่าความเพราะร้ายเมือกับคนที่กลังดูแลแม่ที่กลังป่วยใกล้ตายคนที่ดูแลแม่ที่กำลังแจกําลังป่วยเนี่ยหลายคนจะู้้สุดเลยนะว่ามันน่าา ยิ่ง้าตกิแม่เป็นโรคคาจำเสื่อมหรือเป็นโรคอะร้ายเดิอไม่ได้ต้องป้อนาให้ต้องอุ้พาไปห้องน้าเลยต้องชที่เชดียด้วยจะรู้สึกเหื่อยมากแต่ปลาพวกเหล่นี้มันจะเล็กน้อยเมื่อเราศึกษาึงธรมันมีความหมาย มันคือความตั้งอยู่มันคือกตอแค่าของข้าที่เคยเหนื่อยยากเลี้ยงดูเราตั้งแต่เด้าเราตระหนัก่าความทุกข์ความลาบากของแม่ที่เลี้ยงดูเราเ่ยมันักหนากว่าที่เรากำลังเนื่อกำลับทุกข์ในการเยียวยาดูแลท่านเราจะรู้สึกเลยนะว่าความของเราเป็นเล็กน้อยและเราจะมีความ ภูเอาภูใจที่ได้ตอบแทนบุญของท่านและรู้สึกว่าความกังวนมันจะเล็กน้อยพาจบความลำบากที่ท่านประสบมาตลอดชีวิตหรือว่าตั่งใจเลี้ยงดูเราจะให้เราร้องคิดดังนี้ก็แล้วเวลาเราเหนื่อยเวลาเราทุกในการอนุรักษ์ธรรมชาติในการฟื้นฟูป่าและท่าในการ ทำสิ่งียาต่างๆเพื่อสังคมถ้าเราเราคิดแบบนี้เนี่ยความทุกของเราจะเป็นความหมายแล้วทำให้เราเกิดใกล้ชิดกับความทุกฟังสิ่งรอบธรรมชาติาและเราก็จะเกิดความตื่นร้อนใส่ใจในการที่จะ ทำตนให้เกิดเป็นประโยชน์กับธรรมชาติจริงๆเนี่ยพวกเราเนี่ยนะจะว่าไปก็เป็นเรื่องแรกนะที่ต้องมาทำภารติจเรื่องนี้ดึงการเยียวยาฟื้นฟูธรรมชาติเพราะว่าสมัยก่อนนีธรรมชาติมันก็ลดสมุนถึงแม้ว่าจะไร้รอยไมบ้างก็ไม่ได้ถึงกับ มีอยู่ในข่านวิถีตอนร้ายธรรมเด็กเนี่ยคล้องมาหาหน้าเนี่ยมันก็ยังาสนะหน้าน่ามีใสจับปลาจับตู้ได้คลองมาหาหน้าแต่วาก็เล่าในที่ของธรามะ เราวันี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รุ่นเรานะที่เป็นรุ่นที่มาที่มีายรับที่สำคในการพึ่งาบน a แต่จริรุ่นเราเป็นรุ่นเดียวการที่ทาให้ธรรมชาติเกิดผลกระทลายๆแบบนั้นสมัย 60ปีก่อนหลังสมรรถรู้สองในคนไทยมีแค่18ล้านคนแต่เดี๋ยวนี้วันนี้ในคนไทยเกือบ70ล้านคน3เข้าตอนที่เป็นตมเด็กหรือพวกเรายงเด็กเนี่ยประมาณที่ว่าประชากรโลกประมา3 4 0 0 0ล้านคนแต่ตอนนี้มันกว่า7 0 0 0ล้านคนหมดแล้วมันคูณสองรุ่นเราก็คือรุ่นที่ ส่งผลกระทบเสียหายความธรรมชาติอย่างที่ไม่เคยมาต่อเลยก็ว่า้อย่างที่บอกนะนะครองมหาดางสมัยสมัยเด็กมันมันยังสายเฉพาในช่วงห้าหนาวแต่มันดำบ้างมันเต่าในช่วงหน้าร้อนป็่เป็นแค่างช่วงบองปีแต่นี้มัน น้ำทังตีเช่นเดียวกับแม่น้าลำห้วยหลายสายมันก็เป็นผลจากชีวิตความอยู่ของพวกเราซึ่งมันได้แค่แม่น้ำรดมป่าสมัยถ้านที่มาเล่นเข้าใจว่าชัยภูม่านี้มีป่ามา 60-70% ของพื้นที่ตอนที่ึ้นมาอยู่สุกโต้ตตปี2026เนี่ยป่าที่น่าที่มากกว่าครึ่งของจองังหวัดชายภูมิหลังจากนั้นมาไปอ10ปีป่าก็เหลือ 30% อันนี้มันชายภูมินะแล้วว่าป่ามันหายไปไปีละ 10% จาก 50% ไป1ิหรือแค่ 30% เพราะว่าต้องเนื้อ 20% เพราะมั่านแล้ว3ปีและรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นที่ส่งผลกระทงต่อธรรมชาติอย่างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่แตกอะไรที่เรารุ่นเราจะเป็นพุ่นที่จะต้องมีภารกิจในการ่ช่วยฟื้นฟู ธรรมชาติเยอยๆธรรมชาติดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นป่าหรือะไรเป็นลำโวงัำพานหรือว่าอากาศท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นปพาราสีพื้นที่นะอย่างนี้เราได้ต่างหากซึ่งทราบว่าเราได้ร่วมมืกันในความเสียหาย ผลกระทบในทางลบที่เกิดจากการใช้ชีวิตของพวกเราความเป็นหยู่ของพวกเราความสระกลของเราก็คงเป็นส่วนทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันได้รับการเยียวยาได้เพขึ้นเรื่อยขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการปลูก้นที่ฟูหลงในเรื่องการเพิ่มููหลเนี่ยมันก็คงเป็นแค่ พระฤทธิ์หนึ่งนะในพระฤิธิ์มากมายของพวกเราซึ่งอันนี้ก็จะฝากเอาไว้ให้ถือว่ามันเป็นธรรมะอย่างที่เราต้องปฏิบัติการรักษาป่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างอย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อช้าเนี่ยพระพุทธเจ้าตัดสัตวได้ก็เข้าใจ ความรื่นรมของธรรมชาติธรรมชาติที่รื่นรมนี่นะมีพการต่อการกัรของพระองค์ย่างที่เรได้กลับนะตอนที่ได้ไพบตัมวอนอยู่นั้นเวลาเวลานี่โกงเรียกว่าโอ้ที่นีเนี่ยเป็นที่รมนีไรสนเนี่ยรมรื่นน่าชื่นบานน่าชืนใอน้าผ้านี่ก็ มีน้าใสไรเงี้ยเอใช่ก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาตรงนี้แหละเป็นที่บังเกิดเกียรและทั้งพลังลงและตั้งใจบังเกิเกียร์แลั้งตะดตรู้ตรเลือกตรงนั้นว่ามันเป็นที่ที่ส้องรุมเรื่องสลังานเพราะนั้นเราในานะที่เป็นชุเราก็เป็นนี่ธรรมชาติมาก ที่ได้เคื่อรฟูให้ผู้คนได้รัรู้รู้ธรรมเพื่อปล่อยข้อนมาให้เราเพื่อเป็นคนไทยเราเป็นคทุกข์ที่จริงได้จะไม่ช่เราพูดอย่างนี้นะเป้นเป็นวันนู้นี่แล้วเราก็เป็นนี่ใช่ไหมชาติเดินวกันะอากาศน้ำอาหารปัจจัยสีแล้วพัฒนาเนี่ยอนการที่เราจะช่วย รัาธรมาตมันเป็นหน้าที่อย่างเดียวปการตอบแทงมัการจางกบฏต่ามันคือการปฏิบัติธรรมอย่างน่แล้วก็ถ้าท่านโยบุตรมีการทิ้งไปก็จะมีกิกรรมหลายอาตามมาเพื่อระดับ <c oughs> <c oughs> so ่าตทงนั้นอ่ารักษาองก อัคติปันโนขัตตวะโตสาวะกะสังโฆตัั สวัสดีตอนเย็นค่ะตอนเยนไหมคะวันนี้เดย์ไหมคะับผู้นี้เอาอีกวันเนาะ